แนะนำบทอันนะบะบทอันนะบะเป็นบทมักกียะห์มี 40 องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนะบะก็เพราะในบทนี้มีข่าวสําคัญเกี่ยวกับวันกิยามะห์การฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแก่นหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพซึ่งพวกมุชริกีนปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมา บทนี้ได้เริ่มด้วยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันกิยามะห์การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกกุฟฟาตมักกะฮ์ได้ครุ่นคิดและกล่าวขวัญอยู่เสมอจนกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธต่อมาบทได้นําข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก เพราะผู้ที่สามารถในการสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์ย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่หลังจากได้ตายไปแล้วและบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและได้กําหนดเวลาของมันคือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างพวงบ่าวที่อัลลอฮ์จะทรงรวบรวมชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังเพื่อการชําระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยาฮันนัม ซึ่งอัลเลาะห์ทรงเตรียมไว้สําหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัปยศในรูปแบบและชนิดต่างๆหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาบทได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญหลายรูปแบบทั้งนี้ตามสำนวนของอัลกุรอานที่รวมไว้ระหว่างการชักชวนให้ทําความดีและการขู่สํารทับให้ละเว้นความชั่ว บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันเกียรติมะโดยผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังที่จะให้ตัวของเขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะมิได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัมมายะตัสอาลู พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรอานินนบออัลอะซีมถามถึงข่าวอันสําคัญยิ่งอัลลซีฮุมฟีฮมุคตะลีฟุนซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่กัลลาซายะลามูนะซุมมะกัลลาซายะลามูนเปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ ਅਲਮ ਨਜਅਲਿਲ ਅਰਧਮ ਹਾਦਨ ਵਲ ਜਿਬਾਲ ਆਉਤਾਦਨ ਵਖਲਕਨਾਕੁਮ ਅਜ਼ਵਾਜਾ ਰਾਮਿ ਨਹੀਂ ਡੈ ทําให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหลือ ਲੈ ਮਿ ਨਹੀਂ ထือเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหลือ ਲੈ เราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกัน وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا لاَ رَاوْدََيْ ทําให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ทําให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกายและเราได้ทําให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ وَدَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا แล้วเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้ง 7 ชั้นฟ้าแล้วเราได้ทําให้มีดวงประทีป 1 ที่มีแสงสว่างจ้าแล้วเราได้ให้น้ําหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆ نباتا وجنات الفافات เพื่อว่าเราจะได้เมล็ดและพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นด้วยน้ำนั้นและบรรดาเรื่องสวนอันหนาแน่น إن يوم الفصل كان ميعادا แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَتِيَ الصَّغْ จะถูกเป่าแล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบาน وَسِيرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا และพวกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป แล้วก็กลายเป็นภาพลวงอินนะจะฮันนะมะกานะตมิรศาดัลลิตาฆีนะมาอะบะลาบีทีนาฟีฮาอะหกะบาถ้าจริงนรกยันนั้นเป็นที่สอดส่องเป็นที่กลับไปสําหรับผู้ละเมิด พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานานพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ําเลือดและน้ําเลือดน้ําหนองเท่านั้น حسابا وكذبوا باياتنا كذابا และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้นอินนะลิลมุตตะกิลมะฟาซันฮะดาอิกะวะอันาบะวะกะวาอิบะอัตรอบะวะกาสันดิฮาฏาถ้าจริงสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ เรื่องสวนอันหลากหลายและองุ่นและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยมลายัสมาอูนฟีฮาละฆววะลากิซาบันจะซาอ์มินร็อบบิกออฏออ์นฮิซาบาในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคําพูดที่ไร้สาระและกล่าวเถิด ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นการประทานอย่างเพียงพอรบบิสซะมาวาตวัลอัรฎวะมาบัยนะฮุมาอัรระห์มานลายัมลิกูนะมินฮุคิฏาบะฮ์พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ และจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبَا نั่น คือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถิด إِنَّ انناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ